หนึ่านาาสังวาสกาทิปวารนาว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนานาสังวาดเป็นต้นปวารณาเรื่องภิกษุ2สังวาสปวารณาข้อร้ามสิภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้พวกภิกษุอาคันตุ ก, กะเห็นพวกภิกษุที่อยู่ในาวาดผู้เป็นนานาสังวาดเข้าใจว่าเป็นสวานสังวาสไม่แต่ถามปวารณาร่วมกันไม่ต้องอบัต ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั okay. point, the march. The march <It> ้นแต่ถามแล้วไม่รังเกียร์ปวารณาร่วมกันต้องอบัตทุกข์ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแต่ถามแล้วไม่รังเกียจแยกกันปวารณาไม่ต้องอบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุอาคันตุกะเห็นพวกภิกษุที่อยู่ในวัดผู้เป็นสมานสังวาสเข้าใจว่าเป็นนาณาสังวาสไม่แต่ถามปวารณาร่วมกันต้องอบัตทุกขกฎ ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแต่ถามแล้วร <os S 2> ังเกียจแยกกันปวารณาต้องอบัติทุกกดภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแต่ถามแล้วรังเกียจปวารณาร่วมกันไม่ต้องอบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในวาดเห็นพวกภิกษุอาคันตุกะผู้เป็นนานาสังวาสเข้าใจว่าเป็นสมานสังวาสไม่แต่ถามปวารณาร่วมกันไม่ต้องอบัติภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแต่ถามแล้วไม่รังเกียจ ปวารณาร่วมกันต้องอาบัตทุกกฎภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นแต่ถามแล้วไม่รังเกียจแยกกันปวารณาไม่ต้องอาบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในอว่าตเห็นพวกภิกษุอาคันตุกะผู้เป็นสมานสังวาสเข้าใจว่าเป็นนานาสังวาสไม่แต่ถามปวารณาร่วมกันต้องอาบัตทุกกฎภิกษุที่อยู่ในอวาตเหล่านั้นแต่ถามแล้วรังเกียจแยกกันปวารณาต้องอาบัติทุกกฎ ภิกษุที่อยู่ในอาวัตเหล่านั้นแต่ถามแล้วรังเกียจปรวรณาล่วงกันไม่ต้องอาบัตร